วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยสัตผู้ใฝ่ธรรมผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเรียนรู้เพิ่มเติมคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตของตนการที่ได้มาเกิดเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ถือว่าเป็นเป็นความ เสรเป็นโชคคาลอันยิ่งใหญ่ไม่มีโชคคาลอันใดในโลกนี้จะมีความวิเศษเท่ากับความที่ได้มาเป็นชาวพุทธได้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้คอยให้คำสั่งสอน เพื่อให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง<ม>การได้เป็นพุทธศาสนิกชนนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นทายาทของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ม, มีมรดกของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก เป็นส่วนที่ทายาตจะสามารถรับได้าการได้เป็นชาวพุทธการที่ได้นับถือพระพุทธศาสนานี้ถือว่าได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าของพระอาห์านตสาวตผู้ที่มีทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้คืออริยทรัพย์ วิมุตติทัพย์ทรัพย์ที่จะทำให้จิตใจนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเย็นว่ายตายเกิดได้ไม่มีทรัพย์อันใดในโลกนี้ที่จะสามารถปลดปื้องจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีเพียงแต่ทรัพย์ของพระพุทธศาสนาทะนั้นที่จะตดเบื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้ให้ยุติการเวียนว่ายตายเกินในวัตักรสงสารที่ได้ เวียนวหว้ตายเกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานจนนับจำนวนทบชาติไม่ได้ว่าได้มาเวียนไหว้ตายเกิดในทบชาติต่างๆนี้มากน้อยเพียงไรเท่าไหร่จะประมาณได้ก็จากการที่จะเอาน้ำตาที่ได้หลังมาในแต่ละครั้งที่ได้มาเกิด การเกิดนี้ทุกคนคงต้องยอมรับว่าไม่มีใครไม่ร้องไห้กันทุกคนต้องมีการหลั่งน้ําตากันและน้ําตาที่ได้หลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเอามารวบรวมกันแล้วจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือจํานวนของพบชาติของพวกเราทั้งหลายที่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดกันในสังสารวัตรนี้ และยังไม่ถึงสิ้นยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆศาบใดที่ยังไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาศาบใดที่ยังไม่ได้มาเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะรับวิมุตติสัพย์ คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ในภพนี้ชาตินี้เลยการได้มาเกิดเป็นชาวพุทธจึงถือว่าเป็นโชคคาลาบันมาหาฐานเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะทละศิอย่ า, าทละศี์เช่นถ้าเราถูกอัตรีรางวัลที่หนึ่งยาถละศธิเราไม่ขอรับรางวัล คนที่ไม่ขอรับรางวัลก็ จ, จะถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดหรืออาจจะถือว่าเป็นคนเสียสติไปก็ได้ mm hmm. เพราะใครๆก็รู้ว่าการได้รับรางวัลที่หนึ่งนั้นจะได้รับเงินทองจะได้รับความสุขมากน้อยเพียงไรนั่นเองฉันใดการที่ได้มาเกิดเป็นชาวพุทธนี้จึงไม่ควรที่จะสละสิทธิ์ของความเป็นชาวพุทธของเราไป ควรที่จะรักษาสิทธและพยายามเรียกผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการมีสิทธ์เป็นทายาทของพระพุท ธ, ธเจ้านี่แหละคือการได้มาเป็นชาวพุทธได้มาเป็นทายาทของพระพุท ธ, ธเจ้าเพราะว่าพระพุท ธ, ธเจ้านี้เป็นผู้ทู่ เป็นผู้ที่ได้พบกับทรัพย์อันประเส ร, ริฐพองค์แรกคืออริยทรัพย์หรือวิมุตติทรัพย์อริยก็คือความเป็นผู้ประเสริฐความเป็นผู้ประเสริฐก็คือเป็นผู้ที่อยู่เหนือกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองไม่มีใครจะถือว่าเป็นผู้ประเสริฐได้ถ้ายังถูกกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด กดดันอยู่ยังเป็นทาตของความทุกข์อยู่จะเป็นผู้ประเสริฐได้อย่างไรถึงแม้จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ตามหรือเป็นพระมหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐเพราแม้ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีก็ตามเป็นพระมหาจาักรพรรดิก็ตามก็ยังจะต้องถูกความทุกข์คอย คมขีคมเหงงรังแกอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อลองไปถามดูถ้ามีโอกาสได้เจอพระมหาจากักรพรรดิได้เจอมหาเศรษฐีลองถามว่าท่านอยู่เหนือความทุกข์ได้หรื อ, อยังความทุกข์ต่างๆยังมีอยู่ในใจของท่านหรือเปล่าท่านยังทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายอยู่หรือเปล่า กกับการสูญเสียสิ่งที่ท่านรักไปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนี่คือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามยิ่งใหญ่ทางอำนาจยิ่งใหญ่ทางทรัพย์ยิ่งใหญ่ตามความสามารถได้รับรางวัลเกียรติยศอะไรต่างๆมากมายกายกองแต่ก็ยัง ไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ของตนเองได้ยังถูกความทุกข์ของตนเองคอยมากดขี่ขมเหงรังแกอยู่เรื่อยๆแล้วจะถือว่าเป็นผู้ประเสริฐได้อย่างไรแต่ผู้ที่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆที่เคยมาขมเหงรังแกมาคอยกดขี่จิตใจของตนได้แล้วบุคคลเหล่านั้นอนะ่ะ เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐท่านในภาษาบาลีท่านก็เรียกว่าอาริยะอริยะนี้เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐเพราะสามารถทําในสิ่งที่ปุตุชนคนธรรมดาไม่สามารถกระทําได้ปุตุชนก็คือบุคคลที่อยู่ยังอยู่ภายใต้ความข่มเหงรังแกของความทุกข์ต่างๆนั่นเองแต่คนที่สามารถ อยู่เหนือการข่มเหงรังแกของความทุกข์ต่างๆได้นี้ไม่ใช่เป็นปุถุชนเรียกว่าเป็นพระอริยะในสังศาจารยาท่านก็มีพระอริยะอยู่สี่ระดับด้วยกันคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในส่วนต่างๆไปเป็นขั้นๆ่านท่านที่หนึ่งก็หลุดพ้นไปได้ หนในสี่ของความทุกข์ที่เคยกดดันจิตใจขั้นที่สองขั้นที่สาก็ลดการถูกความทุกข์่มเหงรังแกให้ลดน้อยลงไปจนพอถึงขั้นที่สก็สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนั้น หมดสิ้นไปได้ไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปขั้นที่หนึ่งเราเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเราเรียกว่าพระสกิดาคามีขั้นที่สามเราเรียกว่าพระอนาคามีขั้นที่สี่เราเรียกว่าพราะอารหรันต์ขั้นเหล่านี้มีความสามารถที่จะปลดเปื้องจิตใจ ให้หลุดพ้นจากการมาเกิดในภพต่างๆได้เช่นพระสโสดาบันนี้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถตัดการเวียนว่ายตายเกิดในการมาภพการมาภพก็คือภพของผู้ที่เสพการมในภพของผู้ที่เสพการมนี้ก็มีอยู่สองสองส่วนด้วยกันส่วนที่เรียกว่าสุขคติและส่วนที่เรียกว่าทุกขคติ ส่วนที่ทุ ก, กติก็เป็นภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขคือภพของอบายสี่สถานได้แก่ภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุ ร, รกายและของของนรกนี่เป็นภพของผู้ที่เสพการด้วยการกระทำบาปต่างๆเมื่อถึงเวลาตายไปก็จะต้องไปรับผลของการ ประทำบาปด้วยการไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอนุสรกายบ้างเป็นนรกบ้างอันนี้เรียกว่าทุกขติเกิดจากผู้ที่เสกกรรมและทำบาปด้วยการเสกกรรมเช่นไปประพฤติผิดประเทณีทำบาปอยากจะเสกกรรมอยากจะร่วมหลับนอน ก็ไปร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเสพกามหรือด้วยการฆ่าผู้อื่นหรือด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อ น, นำเอาไปใช้ในการเสพรูปเสียงกล่นลดต่างๆนี่คือส่วนของทุกขติของการมาพบการมาพบมีแบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งเรียกว่าทุกขติอีกซีกหนึ่งเรียกว่าสุ ข, ขติ สุกติก็คือสีของเทวดาผู้ที่ได้มีผู้เสษกามแต่มีใจที่เอื้อเฟื้อเอผ่อแผ่เวลามีทรัพย์มีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็นำเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นจะได้มีโอกาสได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดด้วยเหมือนกันพวกนี้ก็จะเป็นพวกเทวดา พระปุถุชนอ่าพระอราิยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันนี้ mm. ก็จะถ้ายังต้องกลับมาเกิดก็จะไม่เกินเจ็ดชาติน่าจะเกิดในซีของสุขคติในการมาพบไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาอันนี้เรียกว่าเหลือเพลงเจ็ดชาติของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าขยับขึ้นไประดับที่สองเรียกว่าพระสกิฎาคามีท่านก็จะตัดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามมาพบหรือเพียงหนึ่งชาติเพราะท่านจะสำเร็จท่านจะปฏิบัติได้ในธรรมที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับลำดับที่สามคือได้ขั้นถึงพระ อ, อนาคามีถ้าเป็นพระ อ, อนาคามีแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในกามมพบอีกแล้ว ไม่กลับมาเกิดเป็นเปรตเป็นะเ อ, อการการไปเกิดในอบายนี้ปิดไว้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันพระสกิฎาคาพระอริยะทั้งหลายนี้ปิดประตูกั้นทางอบายได้ไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนแต่พระโสด า, า ย, ยังกลับมาเกิดอีกเจ็ดครั้งในภพของมนุษย์ือเทวดาในกามาพบ หรืออาจจะในภพของมนุษย์ก็ได้ครับพบของมนุษย์ดีกว่าไม่เกินเจ็ดครั้งส่วนถ้าไปเกิดในภพของเทวดาก็ไม่นับก็แล้วกันเจ็ดชาตินี้ถือว่านับว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นมนุษย์อีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากแต่ก็จะกลับมาปฏิบัติธรรมต่อไปมาเจริญสมถ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้ก้าวขึ้นสู่ทำขั้นสูงต่อไปคือขั้นพระสะกิ ด, ดาคามีพอได้ขั้นพระสะระกิ ด, ดาคามีนี้ก็จะตัดการกลับมาเกิดในกามาพบคือการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเพียงชาติเดียวขั้นเดียวถ้าสมมติว่าชาตินี้เป็นพระสะกิ ด, ดาคามีแล้วเกิดไปมีอุบัติเหตุตายก่อนที่จะบรรลุถึง พระ อ, อริยะบุคคลขั้นที่สูงกว่านี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้ายอีกรอบเดียวแล้วก็จะสามารถปฏิบัติยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพระ อ, อนาคามีได้พระอนาคามีนี้เป็นผู้ที่ตัดกามาพบได้อย่างเ<ม>ต็มที่ไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดในกามาพบอีกต่อไป<ม>เพราะท่าน ตัดความอยากการเสพกามมคุณทั้งห้านั่นเองคือตัดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะชนิดต่างๆไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจท่านจะเสพรูปประชานหรืออารูปประชานแทนผู้ที่ได้เสพรูปประชานหรืออารูปประชานนี้ก็จะไปเกิดในพรหมโลกในรูปภพหรืออารูปภพ ถ้าได้รูปฌานก็จะไปเกิดในรูปภพภพของรูปภพถ้าได้อรูปฌานก็จะไปไปเกิดในอรูปภพหรืออรูปภพเป็นนรูปภพเป็นสวรรค์ชั้นภพทั้งสองระดับไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับการเป็นมนุษย์แต่ยังต้องมีการเสื่อมจากการเป็นภพอยู่ เป็นเป็นพักๆไปเสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมในในพรหมโลก<ม>แล้วถ้าปฏิบัติทำในขณะที่อยู่ในพรหมโลก<ม>ก็จะสามารถยกระดับจากอรูปภระพบหรือจากรูปประพบเข้าสู่พระนิพพานต่อไปได้<ม>พระนิพพานนี้ก็เป็นที่อยู่นอกสังสารวัฏ คือเป็นที่อยู่ไม่ได้อยู่ในเขตของสังสารวัตรไม่ได้อยู่ในเขตของการเวียนว่ายตายเกิดคือตายพบได้แก่กามาพบรูปพบและอรูปพบพอถึงขั้นที่สี่ขั้นพาาาระอรหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มากลับมาเกิดเป็นเทวดาไม่กลับมาเป็นพรหมอีกต่อไปจะอยู่ในนิพพานไป ตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าและพระอาจานย์ตสาวกทั้งหลายนี้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่เหมือนพวกเราต่างกันตรงที่ว่าท่านอยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์เพราะท่านไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขท่านมีธรรมะอันเลิศอันประเสริฐที่จะเป็นเครื่องมือในการ ป้อนความสุขให้กับใจของท่านอยู่ตลอดเวลา mm hmm. อันนี้แหละคืออริยบุคคล mm hmm. มีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับโสดาบันระดับสกิทาคามีระดับอนาคามีระดับพระอาหารหันต mm ์ hmm. อันนี้แหละเป็นมรดกที่ชาวพุทธเราทุกคนนี้สามารถที่จะเรียกสิทธิ์เรียกรองรับ สิทหล่านี้ได้และการที่จะเรียกร้องสิทธิ์เหล่านี้เพื่อรับประโยชน์ของสิทธ์คือรับความเป็นอริยะบุคคลได้ก็ต้องทําหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์นั่นเองหน้าที่ของชาวพุทธคืออะไรก็คือต้องศึกษาวิธีการที่จะเรียกสิทธิ์เรียกมรดกว่าให้ทําอย่างไรถึงจะได้รับมรดก เหมือนกับเวลาที่เราสมมุติว่าเราถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ไม่เคยถูกอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็ต้องศึกษาแล้วต้องถามค้นหาข้อมูลว่าจะไปขึ้นรางวัลได้อย่างไรจะต้องมีอะไรติดตัวไปบ้างเช่นต้องมีบัตรประชาชนหรือเปล่าต้องมีใบสมรชาชลหรือเปล่าต้องทายเอกสารไว้หรือเปล่าเผื่อเกิดมันหายไปเราแจ้งจะได้มี มีหลักฐานยืนยันว่ามันเป็นของเราหรือถูกคนเขาโกงไปป้นไปจี้ไปแต่ถ้าเรามีถ่ายเอกสารมีลายเซ็นของเราเขียนเอาไว้กํากับไว้เราก็ยังสามารถที่จะใช้เอกสารเหล่านี้มาเป็นการยืนยันเป็นความเป็นเจ้าของของเราได้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันการได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์ที่จะรับอริยทรัพย์จาก พระพุทธศาสนาเราก็จะต้องศึกษาวิธีที่จะไปรับสิทธิ์ของเราว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกเลยสอนเลยว่าถ้าอยากจะรับสิทธิ์อยากจะรับอริยทรัพย์อยากจะรับวิมุตติรัพยอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ต้องกระทาก็คือต้องศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าน่าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการศึกษาประวัติและคําสอนนี้มันจะทำให้เราได้เห็นวิธีการที่ชัดเจนว่าการที่เราจะไปรับรางวัลของศาสนานี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างเช่นเราต้องดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหาระอาหาันตอรหันต์ธรรมสามพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ทุชนเหมือนพวกเรานี่ท่านเกิดมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านเกิดในกองเงินกองทองเนื่องจากอดีตชาติท่านได้บำเพ็ญทานบารมีมาอย่างโชคชวในยุค ข, ของเป็นในยุคสมัยที่เป็นพระเวชสันดร มีความยินดีที่จะเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไปไม่เคยหวังไม่เคยคิดหวังที่จะใช้เงินทองเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองเพียงผู้เดียวมีอะไรที่แบ่งปันได้ให้ใหได้ยินดีให้อา น, นิสงส์ของการที่มีทานบารมีนี้จึงพาให้พระเวชสันดรเวลาตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพ แล้วหลังจากที่ลงจากสวรรค์มาก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นมกุฎราชกุมารเป็นลูกของกษัตริย์ที่มั่งคั่งมีมีทรัพย์สมบัติอันมากมายเช่นมีปราสาทสามฤ ด, ดูให้อยู่ให้เปลี่ยนเวลาที่อากาศไม่เหมาะสมก็ไปเปลี่ยนไปอยู่กับสถานที่ อ, ก, อกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสม ถ้าตรงนี้ร้อนเกินไปก็ย้ายไปอยู่ที่มันเย็นถ้าไปเจอที่มันเปียกมันแฉก็ย้ายไปอยู่ที่มันแห้งละอันนี้เราจะมีประสาทสามฤดูไว้อยู่เพราะเรามีสามฤ ด, ดูมีฤ ด, ดูร้อนเช่นตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนจากฤ ด, ดูหนาวเข้าสู่ฤ ด, ดูร้อนที่ที่เราอยู่ที่เหมาะกับฤ ด, ดูหนาวอาจจะไม่เหมาะกับฤ ด, ดูร้อนก็ได้เราก็อาจจะต้องย้าย ถ้าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งล้วก็ย้ายไปอยู่ที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นทรัพย์ที่ติดตัวมาจากการได้สร้างทานบา ร, รมีมาในอดีตชาติการที่พวกเรามาเกิดแล้วมีความน่ำรวยแตกต่างกันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากทานที่เราทำในอดีตชาตินี่เองจึงทำให้เรามีความมั่งคัง่งมากน้อยไม่เท่าเทียมกันบางคนเกิดมาเกิดมาเกิดบนกองเงินกอ ง, กองทอง บางคนมาเกิดข้างกองขยะต้องมาคอยเก็บขยะหากินจากการเก็บขยะนี่แสดงว่าชาติก่อนไม่ได้ทำบุญทำทานมาเลยจึงไม่ได้มาเกิดบนกองเงินกองทองต้องมาเกิดอยู่กองข้างขยะอันนี้ก็ศึกษาประวัติเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างถ้าเราไม่ดูตัวอย่างเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำตัวเราอย่างไร เราเปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อ า, อาจเอื้อมแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าท่านทําตัวอย่างให้เราให้เราดูให้เราเห็นว่าถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลถ้าอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราต้องทําอะไรกันเนี่ยที่มีประวัติของพระพุทธเจ้ามาถึงยุคปัจจุบันนี้ ก็มีมาเพื่อจะได้มาสั่งสอนพวกเราที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้อย่างไรแล้วถ้าเรารู้ว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรถ้าเราอยากจะเป็นเราก็ทําตามท่านเท่านั้นเองถ้าเราทําตามท่านได้เราก็เป็นได้ต้องไปต้องทําเหมือนกันทุกคนทางนี้ทางเดียวเช่นพระพุทธเจ้า เรื่องของการมาเกิดนี้ก็บังคับกันไม่ได้ห้ามกันไม่ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญที่ทำไว้ในอดี ต, ตถ้าทำมากก็มาเกิดในครอบครัวที่มั่งคัง่งถ้าทำน้อยก็มาเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อปฏิเสธไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการที่จะไปรับอริยสัพพะของพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกัน เพราะในประวัติของพระสาวกทั้งหลายส่วนมากท่านก็มักจะเป็นคนยากจนกันทนเกิดมาเป็นลูกของชาวนาชาวไร่ประวัติหลวงปูม่มั่นหลวงปูตง่ต่างๆถ้าไปศึกษาดูนี่ท่านจะเป็นคนต่างจังหวัดท่านเป็นคนที่เกิดในในไร่ในนาเป็นส่วนใหญ่น้อยคนที่จะมีประวัติว่าเป็นโรกเศรษฐีแล้วมาบวชกันมา มารับทรัพย์ของพระพุทธเจ้ากันยนันการมาเกิดการเป็นคนรวยนี้อาจจะเป็นอุปสรรคมากกว่าการเป็นคนจนก็ได้เพราะดูดจานวนของพระอริยบุคคลประวัติของพระอริยบุคคลนี้จะมีคนจนที่มาบวชและมารับอริยทรัพย์นี้มากกว่าที่จะมีคนรวยคนรวยก็มีบ้างแต่อาจจะไม่มากเท่ากับคนจน งั้นจะมองในในแง่าทางธรรมะแล้วการที่มาเกิดเป็นคนจนนี้กับเป็นเป็นประโยชน์มากกว่าการที่มาเกิดเป็นคนรวยก็ได้เพราะมาเกิดเป็นคนรวยมันก็มีทรัพย์ที่จะคอยดึงดึงไว้นอนคอยขวางทางไว้มีทรัพย์ของพ่อแม่พ่อแม่มีทรัพย์มีลูกคนเดียวจะทํำยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปแล้วทรัพย์จะเป็นของใครไป มีเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธการนี่เอามาเล่าให้ฟังเล่นๆก็มีเศรษฐีมีลูกชายคนหนึ่งมีลูกคนเดียวแต่ลูกชายก็มีศรัทธาอยากจะบวชแต่การจะบวชก็ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้ลูกก็ไปขอพ่อแม่ก็ไม่ให้อยากให้บวชเพราะบวชแล้วไม่มีใครจะมารับมรดกที่ทรัพ ทรัพ ส, สมบัติที่พ่อแม่ได้สร้างเอาไว้มากมายเป็นมหาเศรษฐีพูดง่ายๆแล้วจะเอาทรัพย์นี้ไปให้ใครก็ไม่ยอมให้บวชแต่ความอยากจะบวชอยากจะไปรับอริยทรัพย์ของลูกชายนี้มี ม, มากกว่าลูกชายมีปัญญาเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์มากกว่าคุณค่าของทรัพย์ของในโลกนี้ทรัพย์สมบัติในโลกนี้ ทรัพสมบัติในโลกนี้ก็มีประโยชน์แค่ช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับดวงวิญญาณได้แต่ถ้ามีอริยทรัพย์นี่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปแล้วลูกชายของเศรษฐีคนนี้ก็เลยพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ในศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาอยากจะไปรับอยากจะไปเป็นทาญาทของพระพุทธเจ้าก็ไปขออนุญาตพ่อแม่ให้บวชให้แต่พ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชก็เลยไม่ อ, อนุญาตเพราะถ้าถาไปบวชแล้วก็ไม่รู้จะให้ทรัพย์สมบัตินี้กับใครลูกก็ยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยู่ก็เลยใช้วิธีการประท้วง ด้วยการอดอาหารไม่รับประทานอาหารพอเริ่มลูกเริ่มรบเริ่มอดอาหารตอนต้นก็อาจจะคิดว่าเป็นการอดแบบเดียวเดียวอาจจะเป็นการประท้วงพ่อแม่ก็เลยยังใจแข็งอยู่แต่พอหลายวันเข้าหลายวันเข้าพ่อแม่ก็เลยเริ่มเกิดความวิตกขึ้นมาตอนต้นก็ไปหาเพื่อนของลูกๆให้มาเกลี้ยกล่อมให้ลูกเปลี่ยนใจ แต่เพื่อนๆมาเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจอดต่อไปจนพ่อแม่เห็นว่าถ้าทางจะเอาจริงเสร็แล้วก็เลยต้องยอมยอมอนุญาตให้ลูกไปบวชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่มีทรัพย์แล้วมีข้ออ้างว่าไปบวชไม่ได้ดูคนที่เขามีข้ออ้างแบบเรามีทรัพย์แบบเรามีทรัพย์สมบัติแบบเราแต่เขาไปบวชได้ เพราะเขามีความเห็นว่าทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าทรัพย์ของพ่อแม่ที่จะให้เขามารายทรัพย์ของพ่อแม่นี้ไม่มีการประกันว่าจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแต่ถ้าได้รับทรัพย์ของพระพุทธเจ้าแล้วมีข้อประกันมีการรับประกันว่าทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี้จะทําให้ไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายต่อไปคนที่จะอยากได้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพย์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรว่ามีคุณค่าเหนือกว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดถ้ายังไม่เห็นคุณค่าทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี้ก็ยากต่อการที่จะไปรับทรัพย์ของพระพุทธเจ้าได้ อันนี้ก็เป็นประวัติของพระโสสาวกรูปหนึ่งในที่สุดท่านก็ได้บวชแล้วท่านก็ได้รับทรัพย์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็มาดูประวัติของพระพุทธเจ้าต่อไปว่าหลังจากที่ได้ประสูติได้เกิดมาเป็นเจ้าชายแล้วทำอย่างไรต่อไปท่านก็อยู่ในวังพ่อก็พยายามที่จะห้อมล้อมความสุขต่างๆให้กับลูกเพื่อให้ลูกนี้เพลิดเพลิน ใ ห, ให้ติดอยู่กับทรัพย์สมบัติของการเป็นกษัตริย์เพราะท่านเคยให้โหราจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนที่ประสูติขึ้นมาใหม่ๆว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอยากจะรู้ว่าลูกชายจะเป็นอะไรในอนาคตก็เรียกโหนมาหลายหลายคนด้วยการให้มาดูดวงชะตาหมอดูทั้งหลายก็มีข้อสรุปว่ามี มีความเป็นไปได้อยู่สองทางถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระาศราสดาเมื่อด้ยกเว้นมีโหนอยู่รูปหนึ่งที่มีความเห็นแย้งว่ามีทางเดียวเท่านั้นว่าเจ้รรถถาชายสิทธัตถะจะต้องออกบวชจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอันนี้ก็เป็นเสียงเสียงข้างน้อย เสียงข้างใหญ่นี้เขามองว่าเป็นสองทางเป็นไปได้สองทางถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะเป็นมหาจากักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเจ้าชายสุดโททนะพระราชบิดาได้ยินคำทํานายก็ยังมีความหวังหวังว่าให้ท่านอยู่เป็นกษัตริย์ในการที่จะให้ท่านอยู่เป็นกษัตริย์ก็ต้องให้ท่านมีความสุขกับการเป็นกษัตริย์นั่นเอง ท่านก็เลยพยายามที่จะสร้างความสุขต่างๆให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสร้างปราสาทสามฤ ด, ดูแล้วก็ให้มีบริษัทบริวารมาคอยให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆให้มีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรต่างๆให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เสพได้สัมผัสให้เพลิดเพลินอยู่กับความสุขของทรัพย์ของการเป็นกษัตริย์ แต่เราก็ห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะนี้ออกไปนอกวังไม่ให้ไปเที่ยวนอกวังเพราะไม่อยากให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตในวังนี้อาจจะเป็นเหมือนแดนเนลามิตเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ที่สามารถสร้างขึ้นมาสร้างความสุขชนิดต่างๆขึ้นมาได้อย่างที่พ่อแม่ชอบพาเด็กไปเที่ยวตามแดนเนลามิตกัน เพราะในแดนเดลามิตรนี้เขาจะมีแต่สิ่งที่ให้ความสุขความหรนษาไม่ให้มีเห็นสิ่งที่เห็นแล้วจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจยหรือหวาดกลัวแต่ในชีวิตของจริงความจริงของโลกนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซึ่งพวกเราก็คงจะรู้กันออาไปข้างนอกบ้านแต่ละครั้งนี้ไม่รู้จะไปเห็นอะไรบ้างจะไปเจออะไรบ้างมีทั้งของดีและมีทั้งของไม่ดีวนไปกันไป แต่เจ้าชายพระราชบิดาไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นส่วนที่จะทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะเมื่อเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็อาจจะไม่อยากจะก็จะไม่มีความสุ ข, ขกับการที่จะอยู่เป็นกษัตริย์ต่อไปก็อาจจะตัดสินใจออกบวชได้แต่ความอยากรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะก็ทำให้ต้องฝ่าฝืนคาห้ามคาสั่งห้ามของพระราชาบิดา ลักรอบออกไปดูนอกวังว่าชีวิตนอกวังเป็นอย่างไรบ้างพอออกไปนอกวังก็เลยไปเห็นความจริงของชีวิตสัตจธรรมความจริงของชีวิตคือทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายกันขณะที่อยู่ในวังนี้ไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะพระราชบิดาห้าไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวงัง ให้มีแต่คนหนุ่มคนสาวแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีๆแล้วก็มีอาการครบสามสิบสองจะไม่ให้คนพิกลพิการเข้าไปคนหูหนวกตาบอดเหล่านี้จะไม่ให้เข้าไปในวังไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความความจริงของชีวิตแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์ใจเศร้าใจขึ้นมาแต่ในที่สุดก็ห้ามไม่ได้ เมื่อห้ามไม่ให้ออกก็เลยต้องหนีออกไปดูไปสองคนไปกับมหาเล็กสองคนเดินไปก็เห็นคนแก่ก็ร้องถามว่านี่เป็นใครก็ก็เป็นคนเหมือนท่านนี่แหละอยู่ไปนานๆมันก็แก่แบบนี้แหละท่านต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้ทันก็ตกใจว่าเราต้องเป็นคนแก่แบบนี้ด้วยเดินหลังค่อมเดินแบบกระโปกกระเพกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหนังเหี่ยวยน่นผมหงอก อันนี้ก็เลยทําให้เกิดความเศร้าใจขึ้นมาเมื่อเห็นคนแก่เดินต่อไปสักระยะก็มีคนนอนร้องปวดควนคางอยู่หน้าบ้านกระถามว่าคนนี้เป็นอะไรคนนี้ก็เป็นไม่สบายเขาเป็นโรคไข้ไ้เจ็บต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมาเล็กบอกทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้พอรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นมายิ่งเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเดินต่อไปสักพักก็ไปเจอเขบวนแห่ศพแห่ศพเพื่อที่จะนําไปเผาที่ริมน้ําพอถามว่าเป็นใครเป็นอะไรคนนี้ถึงต้องแห่กันไปก็ เ, เป็นคนที่เคยมีชีวิตอยู่เหมือนเรานี่แหละแต่แตายแต่ตอนนี้ตายไปแล้วหมดลมหายใจแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเน่าเปื่อยตรงกิ่นเน้นก็เลยต้องเอาไปชําระเอาไปกำจัด ท่านก็เป็นแบบนี้พอได้เห็นสภาพแบบนี้ขึ้นมากับชีวิตของตัวเองก็เลยทำให้เกิดความเศร้าขึ้นมาความสุขที่เคยได้รับจากการอยู่ในวังนี้หายไปหมดเลยเมื่อเจอสัจ ธ, ธรรมความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ขณะที่จะเดินกลับวังไปก็ไปเห็นชายคนหนึ่งที่แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นแต่งตัวเป็นแบบนักบวช ก็าถามว่าพวกคนนี้ชายคนนี้เขาทําอะไรเลยเขาบอกว่าเป็นนักบวชเป็นพวกที่จะไปหาวิธีกําจัดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละไม่รู้จะกําจัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็พยายามกันเมื่อเห็นนักบวชก็เลยทําให้เกิดมีความหวังขึ้นมาว่า อ, อถ้าไปบวชแล้วสามารถทําให้ ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายได้ก็ก็น่าจะน่าจะไปลองไปทําดูเอก็เลยในที่สุดก็เลยตัดสินใจออกบวชพอถึงเวลาที่สมควรคืนที่พระมเหสีคลอดพระราชารดออกมาพอาได้ทราบข่าวว่ามีลูกท่านก็อุทานก็ลาหุนราหุนนี่แปลว่าบ่วง คนที่นำข่าวมาแจ้งให้ทราบก็คิดว่าท่านตั้งชื่อให้ลูกชายว่าลาหุนก็เลยกลับไปบอกว่าเนี่ยท่านตั้งชื่อลูกว่าลาหุนแต่ความจริงท่านหมายว่าเป็นบว่วงเป็นบ่วงที่จะับจะผูกใจของเจ้าชายสิทธัตถะให้ติดอยู่ในวังถ้าไม่หนีออกไปในคืนนั้นดันเลยตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเลยหนีออกไปแล้วก็ไปบวชไปอยู่แบบนักบวช ไปศึกษาวิธีทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆเวลาเข้าไปในฌานนี้ใจจะเย็นใจจะสงบใจจะสบายไม่มีความวิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายแต่พ อ, อ, อจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิด เริ่มเห็นร่างกายก็อดที่จะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้พอคิดก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆว่าทําไมยังทําให้ใจไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ได้หรือทําไมเวลาออกจากสมาธิมาแล้วใจยังต้องกลับมาทุกข์อยู่แต่เวลาที่อยู่ในสมาธิทาไมใจไม่ทุกข์ก็ไม่มีใครให้คําตอบได้ก็เลยต้องไปค้นหาคําตอบเอง ทดลองผิดทดลองถูกจนในที่สุดก็ค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่แล้วก็เกิดจากการที่ไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายคิดว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็จะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายแต่พอมาศึกษามา มาปฏิบัติวิปัสนาภาวนาอั้นต้นทำสมถะภาวนาทำใจให้สงบกอ่อนพอใจสงบแล้วก็จะสามารถแยกแยะความจริงต่างๆได้ก็าสามารถแยกแยะ ก, ยกายออกจากใจได้พอใจไปทุกขกับร่างกายพอไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเป็นใจความจริงร่างกายไม่ได้เป็นใจแล้วก็ร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ สาเหตุที่ใจเครียดใจทุกข์เพราะไม่อยากให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเพราะคิดว่าตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายเท่านั้นเองพอพิจารณาแยกแยะด้วยวิปัสสนาได้ก็เข้าใจแล้วว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเพียงแต่มาครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ชั่วคราวซึ่งวันหนึ่งก็จะต้องมีการแยกทางกันไปขณะที่ร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็แยกกันไปตามอํานาจของ <c oughs> ถ้ายังมีอํานาจของความอยากความอยากอยู่ก็ความอยากก็จะพาให้ไปเกิดต่อไป <c oughs> แต่ถ้าสามารถตัดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากต่างๆได้ ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพระชายสิทธตะก็เลยใช้ปัญญ า, ว, าว่าความอยากนำไปสู่ความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากก็เท่านั้นเองก็อยู่เฉยๆอยู่กับความเนื่งอยู่กับความสงบอยู่กับอุเบกขาไปถ้ามีอุเบกขาใจจะไม่หิวใจจะไม่โหยใจจะไม่อยากได้ แต่ถ้ายังไม่มีอุเบกขาก็ต้องไปสร้างอุเบกขาด้วยการทําเจริญสติด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานไปก่อนในที่สุดก็มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่างๆได้พอหยุดความอยากเหล่านี้ได้ปับ๊บ ใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความทุกข์กับร่างกายไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> อันนี้แหละก็เลยได้ตัดสรู้ขึ้นมาได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคำว่าพระพุทธเจ้านี้คือผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองเป็นผู้ที่ได้ค้นพบวิธีการในการทาให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการยวนว่าตายเกิดได้ จะมีคนเดียวเท่านั้นในในแต่ละพ ร, ระพุทธศาสนาจะมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นนอกจากนี้นนจะเรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถึงแม้ว่าจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าก็จะได้หลุดพ้นได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกคำ<ๆ>ว่าสาวกก็แปลว่านักเรียนเีเป็นผู้ศึกษาศึกษ า, าจากพระพุทธเจ้าหรือศึกษาจากคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่ง เพราะถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนนี้จะไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองว่าวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์วิธีที่จะไปเป็นพระอริยบุคคล น, นี้ทำอย่างไรต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนสั่งสอนเป็นคนคนแรกเป็นคนที่พบวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คนคนแรกที่หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็จะเรียกว่าพระพุทธเจ้า แต่คนที่มาศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้รับดุจพ้นนี้เรียกว่าพระษาวกพระอรหันตสาวกคนที่หลุดพ้นด้วยตนเองเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันตสองแบบพระอรหันตที่หลุดพ้นได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับคนที่หลุดพ้นจากการศึกษาจากการเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ก็จะเรียกตนเองว่าพระอาหารหันต์ตัสาวกแต่การหลุดพ้นนี้เท่ากันเหมือนกันหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเมียนไห้ตายเกิดเหมือนกันถ้าเป็นนักโทษก็หลุดออกจากเรือนจําเท่ากันออกมาอยู่นอกเรือนจํามีสละภาพเท่ากันต่างกันตรงที่พระพุทธเจ้านี่มีความฉลาดมีหาช่องทางออกจากคุกได้ด้วยตนเอง แต่คนอื่นนี้ต้องเรียนรู้วิธีว่าจะออกจากคุกได้อย่างไรจะต้องไปปีนกำแพงตรงไหนต้องไปเจาะเจาะหลุมตรงไหนเจาะรูตรงไหนแต่พระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่ค้นพบทางออกคนแรกแล้วก็มาสอนคนที่ติดอยู่ในคุกว่าถ้าอยากออกจากคุกตา ม, มาทางนี้มาทางนี้พอตามมาทางนี้ก็ออกจากคุกได้งนั้นการเป็นอิสระนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้า ก็ดีภาษาวกก็ดีนี้ถึงนิพพานเท่ากันนิพพานก็คือที่ที่อยู่นอกคุกนอกตารางนั่นเองที่ที่อยู่ในคุกในตารางเราเรียกว่าสังสารวัตรวัตฏสงสารแต่ที่ที่อยู่นอกเขตของสังสารวัตเราเรียกว่านิพพานผู้ที่ไปถึงนิพพานนี้ไม่ว่าจะไปด้วยตนเองค้นคว้าหาทางด้วยตนเองหรือหรือเรียนรู้จากผู้อื่นก็ไปถึงนิพพานเท่ากัน พระพุทธเจ้ากับพระนางสาวองนี้ไปถึงนิพพานเท่ากันหลุดพ้นเท่ากันไม่มีความทุกข์ไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเท่ากันเนี่นี่คือถ้าเราอยากจะรับสมบัติการที่เราจะเป็นทายาทแล้วมาเรียกสิทธิ์ของเราว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าข้ามาขอรับสิทธิ์มาขอรับมรรคผลนิพพาน มอขอรับอริยทรัพย์มอขอรับวิมุตติทรัพย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง เ, ออเนี่ยก็ต้องศึกษาศึกษาวิธีการที่ถูกต้องวิธีที่ศึกษาที่ที่ชัดเจนที่สุดก็ดูดูประวัติของแต่ละท่านแ้บทุกคนเลยที่มารับทรัพย์อริยทรัพย์นี้จะต้องออกบวชกันทั้งนั้นน้อยคนที่ จะรับทรัพย์ได้โดยที่ไม่ต้องออกบวชมีบ้างแต่ไม่มากมีเพราะว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามคาสอนได้โดยที่ไม่ต้องบวชก็มีแต่น้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่จะออกบวชกันดังนั้นจะต้องทำทานก่อนคาว่าทานก็คือสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองที่มีอยู่ไปให้หมดอย่าไปหวงทรัพย์สมบัติ ถ้าหวงทรัพสมบัติก็ไปบวชไม่ได้ก็ยังต้องคอยดูแลทรัพสมบัติอยู่เห็นถ้าต้องการที่จะไปรับอริยทรัพย์นี้ต้องสารทรัพย์ทางโลกไปให้หมดจะได้ไม่มีอะไรมาเดี่ยวล้างจิตใจให้ติดข้องอยู่กับในภพของการมีทรัพย์สมบัตินี่คือการมาพบก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เรือเนี่ย เรือเวลาจะให้ออกจากท่าเรือได้ก็จะต้องถอนสมอเรือถ้าไม่ถอนสมอเรือแล้วติดเครื่องแล้ววิ่งออกไปมันไปไม่ได้มันติดสมอเรือมันจะไม่มันจะคอยดึงเรือไว้ไม่ให้ไป่ยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดายาชนิตมิจฉาหรือกิจกรรมต่างๆกิจการต่าง ๆ, ท, างๆที่เราเคยทําอยู่ในโลกนี้ ถ้าเราล่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นี่เราไปไม่ได้เหมือนกับเรือเนี่ยการที่เรือจะออกจากท่าเรือได้ออกจากที่จอดได้นี้จาเป็นจะต้องมีการถอนสมอชัน้นใดการที่จะไปสู่พะนิพานได้ก็เช่นเดียวกันศึกษาประวัติดูของพระอริยบุคคลทั้งหลายส่วนใหญ่ 99% ้าเปอร์ซนเนี่ยจะเป็นนักบวชทั้งนั้นตรงนี้เขาจะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เช่นในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของลูกศิษย์ของหลวงตาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็มีลูกศิษย์เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์หลายรูปด้วยกันหนึ่งนั้นก็มีก็คือท่านอาจารย์พรหมอาจารย์พรหมที่ท่านก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระท่านก็เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีมีนามีไร่มีมีวัวมีควายมีบ้านมีช่องแต่ท่านกับภรรยานี้ เป็นผู้ที่ฝ่ธรรมเข้าวัดเยืองสม่ำเสมอไปปฏิบัติธรรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่เรื่อยๆจนเกิดความทราบซึ้งใจว่าถ้าอยากจะไปรับปริยสัรางนี้ต้องไปบวช ด, ดีกว่าเพราะเป็นทางเหมือนกับได้ขึ้นทางด่วนจะไปถึงเร็วกว่าถ้าอยู่แบบค า, ารวะผู้ครองเรือนี้มันจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา ท่านกับภรรยาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปบวช ด, ด้วยกันแต่ก่อนจะไปบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติพอดีท่านไม่มีลูกไม่เต้งไม่มีญาติท่านก็เลยประกาศยกสมบัติให้กับชาวบ้านมาคไทยเดือดร้อนใครไม่มีวัวมีควายก็มาขอรับไปได้ใครไม่มีที่ทำานาก็มาขอไปได้ใครไม่มีบ้านช่องอยู่ก็มาขอรับไปได้เพราะเขาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเหล่านี้แล้วเขาต้องการไปหาอริยทรัพย์กัน แล้วพอสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปทั้งหมดท่านก็ไปบวชกันภรรยาก็ไปบวชอยู่ที่หนึ่งนลวงปูพ่พรมท่านก็ไปบวชแล้วก็ไปติดตามหาหลวงปู่มั่นไปศึกษาไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุปเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาอันนี้แหละคือการศึกษาเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องสอนใจเรา ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องประวัติของบุคคลเหล่านี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าโอ้ยต้องบวชเชียวหรือไม่ไม่ไม่สุดโต่งเลอการไปบวช น, นี่ทําไมปฏิบัติอยู่กับบ้านไม่ได้หรืออะไรทํานนองนี้เราต้องไปดูว่าคนที่เขาบรรลุนั้นเขาบรรลุ ก, กันอย่างไรคนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านมีใครบรรลุ ก, กันบ้างคนปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับเมียนี่ มันจะปฏิบัติได้สักกี่กี่น้ํากันได้เดี๋ยวก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงสามีขึ้นมาก็กลับไปหากิเลสอีกนะมันก็จะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาพระพุทธเจ้าก็ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ท่านบําเพ็ญอย่างไรท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องออกบวชต้องสละทรัพย์สมบัติ มีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทรัพย์ชั่วคราวทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวมีแค่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพอเราตายไปแล้วมันไม่ได้เป็นทรัพย์ของเราอีกต่อไปกลายเป็นทรัพย์ของคนอื่นไปแล้วเราไม่สามารถอาศัยทรัพย์นี้หลังจากที่เราตายไปที่จะพาให้เราไปนิพพานได้ ทัพย์ที่จะพาให้เราไปนิพพานได้ก็คือการศึกษาการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือตามคําสั่งคําสอนของพระอาจารตัสาวกทั้งหลายเราต้องศึกษาดูดูตัวอย่างดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูภาษาวกเป็นตัวอย่างพูดถึงภาษาวกก็้นี่มีหนังสือที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนไว้สองเล่มที่ญาติโยมคนจะไปศึกษากันเรืองหนึ่งประวันหลวงปู่มั่น แล้วอีสั เ, เรื่องก็เล่มก็เรียกว่าปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานประวัติของหลวงปู่มั่นนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงวิธีการดําเนินชีวิตของหลวงปู่มั่นในแต่ละช่วงอายุส่วนปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานนี้ก็จะเล่าเรื่องของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ที่ออกบวชแล้วก็ติดตามไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นจนได้บรรลุปเป็นพระอารหันต์กันได้เป็นครูบาอาจารย์กันเนี่ยสองเลื่อนี้สามารถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เนในมือถือเขียนเข้าไปประวัติหลวงปู่มั่นหรือปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานก็จะไปที่ไปให้เราไปดาวน์โหลดหนังสือมาอ่านได้อ่านแล้วเราจะได้มีศรัทธามากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้น เห็นช่องทางวิธีการของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้เราไปรับทรัพย์อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ลองค้นหาดูเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากที่ใครอ่านแล้วจะเกิดความประทับใจเกิดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งๆขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทากันถ้าเราอยากจะรับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้า คือขั้นตอนเรียกว่าศึกษาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ประวัติแล้วเราก็จะรู้ว่าท่าน ป, ปฏิบัติกันอย่างไรส่วนใหญ่ท่านก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันการไปบวช ก, ก็คือการไปรักษาศีล น, นักบวชนี้เป็นเป็นผู้มีศีลเริ่มต้นก็ศีลสิบก่อนจะเป็นบวชเป็นพระได้ต้องบวชเป็นเอนก่อนญาติโยมอาจจะไม่รู้าการจะบวชพระนี่ ท่านบังคับให้บวชเนนก่อนบวชเนนก็คือให้ถือศีลสิบก่อนในบวชในวันเดียวกันในที่เดียวกันบวชปั๊บบวชเนรปั๊บเสร็จก็ให้ไปบวชพระต่อเลยบวชพระก็ให้เพิ่มจากจากศีลสิบมาเป็นศีลสอง้อยี่บเจ็ดข้อพระมีศีลมากกว่าเนนเนรมีเพียงสิบข้อแต่พอพอมาเป็นพระก็ต้องมาบวชต้องมาต้องมาศึกษามาปฏิบัติศีลของพระเอ ที่มีทั้งหมด227ข้อแต่ส่วนใหญ่ๆก็เป็นข้อที่เกี่ยวกับวิธีการการกระทาตนเองให้ดูสวยงามไม่ให้เป็นที่ตำหนิติเตียนของศรัทธาญาติโยมทนั้นเองเป็นเรื่องของกฎระเบียบมากกว่าแต่ตัวศีลจริงๆก็คือศีลห้านี่แหละศีลของพระที่เป็นศีลแท้ๆที่ระเมิดไม่ได้ก็มีแค่สี่ข้อศีลสี่เรียกว่าปาราชิกสี บระาชิกสี่คืออะไรหนึ่งการการเสพเมถุนก็คือการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นการเสพเมถุนการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเป็นการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นแม้แต่เดรัจฉานก็ทำไม่ได้อันนี้ถ้าทำปั๊บก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตนที่ทำนี่รู้อยู่แก่ใจ ก็จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระแล้วถ้าเปรียบก็เเหมือนกับมะพร้าวที่ยอดมันหักด้วยนะไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามต่อไปได้อยู่ไปเป็นพระก็อยู่เป็นแบพบพระปลอมไปอยู่เป็นแบบพระที่ไม่สมบูรณ์ภาราชิกสีข้อหนึ่งก็คือการเสพเมทุนข้อสองก็คือการรักทรัพย์ของผู้อื่นแม้แต่หนึ่งมาสกุกนี้เท่ากับหนึ่งเมล็ดข้าวนั่งไงเนี่ยทับทองคำหนึ่งเมล็ดข้าวมีคุณค่า ถ้าไปลักทรัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตนี่ก็สามารถถือว่าเป็นปาปหลักชิกได้ข้อที่สมก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์เล็กน้อยไม่ถือว่าเป็นปาราชิกแต่บางทีพังเผยไปฆ่ามดฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้โปงอาบัตได้แต่ถ้ามีการตั้งใจจะไปฆ่ามนุษย์นีถ่ถ้าทําไปแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีและข้อที่สก็คือการอวดอุตริมนุษยธรรม ก็คืออวดความวิเศษที่ไม่มีในตัวตนนั่นเองอวดว่าตนเป็นโสดาบันแล้วทั้งที่ไม่ได้เป็นอวดว่ามีเข้าฌานเข้าสมาธิได้อวดว่ามีฤทธิ์มีตาทิพหูทิพอะไรทํานองนี้ถ้าไปพูดไปอวดที่ที่ไม่เป็นจริงเนี่ยก็ถือว่าปาราชิกแต่ถ้าเป็นจริงก็ไม่เป็นนะไม่เป็นปาราชิกแต่ยุคนี้สมัยนี้มันยากต่อการพิสูจน์คะ ย่งถึงแม้จะรู้จริงก็อย่าไปพูดดีกว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วจะโดนเขามาตู่มากล่าวหาว่าเป็นปาราชิกหรือเปล่าวดอุตจริหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะหาเครื่องยืนยันให้ได้ไงเพราะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่ในใจของเราคนเดียวอย่างบางทีเรื่องที่เรารู้อยู่ในใจถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ต้องระวังอย่าไปพูดในเชิงที่ไปเหมือนกับไปประกาศไม่ แต่ถ้ามีความจําเป็นจะพูดในเรื่องการสั่งสอนในการนี้มันก็คงจะไม่ผิดนะถ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะได้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการแสดงธรรมไปอันนี้ก็เป็นเรื่องลําบากเรื่องต้องระวัตระวังพอสมควรอันนี้คือศีลของพระเนี่ยยกตัวอย่างมีท่านี่ที่สข้อนี้ที่ต้องรักษานอกนั้นก็เป็นเหมือนกับความสวยงามการประพื่อที่ไม่ให้คนอื่นเขาตําหนิตีเตียนอะไรทํานองนี้เท่านั้นเอง นนี้ก็คือศีลของผู้ปฏิบัตินักบวชก็ต้องถือศีลสิบแล้วก็บวชเป็นพระถือศีล2องถ้าเป็นแม่ชีก็เอาแค่ศีลสิบหรือศีล8ปดก็ได้ก็พอเพียงต่อการนํำมาไปปฏิบัติแล้วก็ไปปีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัดไปเจริญสตินั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้เมื่อมีฌานมีความสงบมีความสุขก็สามารถที่จะละความอยากต่างๆได้ เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากต่างๆจะนำไปสู่ความทุกข์ทางใจนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดความอยากตัดการมรรคฐาหาความอยากเสพรูปเสียงกินลดตัดภาวะฐานหาวิภวะฐานหาความอยากเสพรูปประชานาะรูปประชาน์พอตัดความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจได้ใจก็หลุดพ้นจากความความทุกข์ทั้งปวง ได้รับมรดกอันสมบูรณ์นี่คือวิธีการของการที่จะมารับมรดกจากพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นทายาทมาเกิดเป็นทายาทเฉยๆแล้วจะไปเคลงเมาเฉยๆนี้ไม่ได้เนี่เพราะว่ามราดกเขาเขียนไว้ว่าต้องปฏิบัติต้องศึกษาต้องปฏิบัติไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะมาประเคนให้มาพอมาเป็นพุทแล้วก็มาบอกขอโสดาบัานหน่อยสิขอสกิดาคาหน่อยที่ ขอไม่ได้เนี่ยต้องปฏิบัติต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติว่าจะเป็นโสดาเป็นพระอริยะต้องทําอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เนี่ยเพราะเหตุกับผลมันอยู่ตรงนั้นการเหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือทรัพย์ต่างๆที่เราจะได้รับจากการปฏิบัตินั่นเองนี่ก็คือเรื่องที่เรามาฝากท่านในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธขอให้พวกเรามีความภูมิใจ มีความดีใจที่เราได้เป็นลูกเป็นทายญาติของมาเสธีที่ยิ่งใหญ่กว่าเสธียรอันดับหนึ่งของโลกขอให้เรารีบนำมาไปเรียกสิทธิของเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไม่ผิดหวังถ้าเราไม่ไปศึกษาไม่ปฏิบัติเราก็อาจจะเสียสิทธิ์ได้ถ้าเกิดเราตายไปก่อนที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัตกิการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จยขออนุโมทนาให้พรอยาทาวเรวาหาปุราปาริกโเลติสาขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนาระโสยธาเมณิโชติอารโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจจังวุธาปะจายโนยัตารุธรรมาวาทานติ สลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือส่งมาทางเพจทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติด ต, ตามเท่าไหร่ ทาง Facebook พระอาจารย์ห้9 y o อ t แ b ดิพระสุชาติไลฟ์321ร o u ย u b e สิเอ็ดยูทูบดรวีชานลหนึ่งสิบสองวิทยุออนไลน์8คลับเ้า1์หน้ากุติหนึ่งรสาิบเอ็ดรวมหนึ่งพหนึ่งร้อยเจ็ดิบเจ็ดค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยมีท่านอยู่ข้างหลังอยากจะถามวาเน่ยมีคนอยู่ข้างหลัง ไม่ดีก็ไม่เป็นไรคิดว่าอยากคิดจะมาคิดว่าจะมารอถามคาถามคาถามจากคำถามจากคุณวาสนาค่ะผู้ปฏิบัติที่อยู่ในทางโลกดมเนินชีวิตร่วมกับผู้คนในบางทีจะเสียเปรียบเหมือนไม่ฉลาดไม่ทันคนและยิ่งถ้าเจอคนที่มีเล่เหลี่ยงคนโกงมากจะยิ่งได้รับความเดือดร้อนและเสียหายเหตุนี้เป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติหรือเป็นบททดสอบของมารครับ คนฉลาดทางโลกมันคนโง่าทางธรรมนะเพราะว่าคิดว่ายิ่งได้มันกับยิ่งทุกข์รู้เปล่ายิ่งได้มาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเพราะว่าเวลาไปก็อะไรไปไม่ได้ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเวลาต้องเสียมันมากฉะนั้นคนโง่าทางโลกอคนฉลาดทางโลกคือคนโง่าทางธรรมคนฉลาดทางธรรมนี่ยังเป็นคนโง่าทางโลกพราะ อ, อไม่อยากได้เลยใครอยากจะเอาอะไรไปเอาไปเลยออ ตายไปกูก็ไปไม่ได้ต่างกันตรงนี้แล้วต่างกันที่ใจคนที่โลภอยากได้ก็ทุกคนที่ไม่อยากได้อยากจะให้นี่ก็สบายเยน็นมีความสุขอันนั้นแหละคือคนฉลาดทางธรรมคนฉลาดทางโลกคนฉลาดทางโลกก็จะหาสตางคนฉลาดทางธรรมก็จะหาสติ <laughs> คำถามจากคุณมาลัย ตั้งแต่จิตหนูรวมก็เห็นร่างกายตัวเองเป็นโครงกระดูและอสุภตลอดเวลาส่วนจิตหนูจะรู้สึกว่ามีพลังอยู่ตรงกลางหน้าอกร่างกายกับจิตแยกกันอย่างชัดเจนเวลามีการกระทบหนูใช้ปัญญาพิจารณาลงสู่ใตรักเวลานี้จิตมันนิ่งๆธรรมะที่รู้ก็เหมือนไม่รู้มีสติตลอดเวลานอกจากเวลาหลับไปเท่านั้นหนูยังสงสัยอยู่ว่าหนูลดการ น, นั่งสมาธิลงแต่ร่างหนูมันเหมือนลอยและเวลาเดินไปไหนมาไหนมันโครง เครเหมือนแผ่นดินมันยุบลงไปเจ้าค่ะคืออาการเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ค่อยสำคัญสำคัญที่เราตัดความอยากได้หรือเปล่า ม, มีอาการเหล่านี้แต่ยังอยากได้เงินได้ทองยังอยากมีแฟนอยู่ก็มีอาการเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอาการต่างๆมีไว้เพื่อให้เรามีความสุขใจอิ่มใจพอใจไม่หิวไม่อยากได้อะไร เห็นโครงกระดูกอยู่แต่ยังอยากมีแฟนอยู่นี่มันก็ไม่รู้จะเห็นไปทําไมเห็นการเห็นต่างๆในธรรมะนี่เห็นเพื่อให้เราตัดความอยากต่างๆลงไปไม่ใช่เห็นเวลาปฏิบัติก็เห็นหมดแต่เวลาไปเครื่องนอกไปช้อปปิ้งก็อยากได้นู่นได้นี่เห็นขระวผงก็เห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าก็อยากได้นี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นแบบนั้นเห็นเพื่อเรามาลากความอยากเวลาเกิดความอยากก็เห็นว่าเพราะมันเป็นโครงกระดูกนะ อคนนี้หล่อเหลือเกินคนนี้สวยเหลือเกินมันก็ครอดูกดีๆนี่เอให้มองอย่างนี้จะได้ไม่มีความอยากมีแฟนมีแล้วมันทุกข์มีแฟนแล้วเดี๋ยวก็มีลูกตามมาอีกยิ่งวุ่นวายไปใหญ่นั่นนี่แหละคือการปฏิบัติอย่าอย่าดูแต่เฉพาะช่วงที่เราปฏิบัติดูช่วงที่เราไม่ปฏิบัติด้วยว่าเป็นยังไงเวลาปฏิบัติก็เรียบร้อยเหมือนพระเวลาไปชอปปิ้งก็เหมือนเรืงนี้มันมีประโยชน์อะไร คำถามสากคุณวาสนาค่ะพระที่ใช้ยาสบุยาสะผมผงซอกฟอกได้ไหมครับจะถือว่าเป็นเครื่องหอมไหมครับถ้าใช้เป็นการชำระทำความสะอาดได้อยู่เป็นการรักษาได้อยู่ทำความสะอาดได้อยู่แต่ทำเพื่อให้เกิดความสุขจากกลิ่นหอมของมันนี่ไม่ได้ แต่ถ้ามันติดม า, ม, ามันหาของที่ไม่มีกลิ่นก็ไม่เป็นไรก็ใช้มันไปตามตามอัตภาพตามความจำเป็นหมดแล้วเหรอคือไม่ต้องการให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นดถจากสิ่งต่างๆแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องรักษาแล้วบางทีเขาก็ทำให้มันมีมีกลิ่นมีหอมอะไรเพื่อที่จะได้ให้ดึงดูดคนใช้ ให้ใช้ใช้ของเขาอย่างนี้แต่ถ้ามันทําหน้าที่ที่เราต้องการได้ก็คือมารักษาใช่นมาทําความสะอาดอย่างเนี้ยเราต้องการทําชํำระความสะอาดทางร่างกายแต่บางทีสบู่สมัยนี้เขาก็ต้องใส่กลิ่นเข้าไปหน่อยเพื่อให้คนใช้ได้ชอบจะได้ซื้อสินค้าของเขาถ้าเราหาไม่ได้ถ้าเราอยากจะเคร่งจริงๆก็ไม่ต้องใช้สบู่แล้วกันอาบน้ําเปล่าก็ได้ใช้น้ำสมัยก่อนก็ไม่มีสบู่เขาก็อยู่กันได้นะ มันก็ใช้อาบน้ำด้วยน้ำเปล่า ก, ก็พอเพียงต่อการชำระเราไม่ได้อย่าให้หาอย่าอย่าไปหาความสุขจากของใช้ต่างๆความสุขทงัทงท้งรูปเสียงกลิ่นลดไดนยินว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี้ท่านจะใช้สบู่สันไลกันสบู่ซันไลมันไม่มีกลิ่น แต่สบู่ <c oughs> สบู่เหล่านั้นสมัยก่อนก็เอามาใช้ <c oughs> ใช้ใช้ล้างจานล้างถ้วยล้างจานเพราะสมัยก่อนไม่มีน้ํายาเขาไม่ได้ทาเป็นน้ํายาเขาําเป็นสบู่ใ <c oughs> นเวลาจะล้างถ้วยล้างจานเขาก็ใช้สบู่สันไหล <c oughs> ถ้าที่ท่านไม่ต้องการที่จะใช้สบู่ที่มีกลิ่นท่านก็มาใช้สบู่สันไหกันไปเห็นหนงตาหมาบัวท่านก็ใช้สันไหลจน ส, สันไหล <c oughs> <c oughs> มีคำถามจากคุณแดงค่ะถ้าเรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกหรือสุขเฉยเฉยไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆแบบนี้เราคิดถูกต้องไหมเจ้าคะก็คิดได้จะทําทได้หรือไม่ถ้าทาได้ก็ดีถ้าปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรให้หาความสุขกับในกับใจของเราในตัวของเราเรามีความสุขที่วิเศษที่ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราคือความสงบ ถ้าเรามีความสงบแล้วสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราภายนอกมันมันก็หมดหมดหมดความหมายไปเพราะถ้ามันเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้รับมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอย่างวิธีที่เราจะตัดความสุขทางโลกทางภายนอกได้เราต้องสร้างความสุขภายทางภายในให้ได้ ด้วยการจเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิให้าําทำใจให้สงบให้นิ่งพอใจนิ่งสงบเป็นฌานขึ้นมาก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ทีนี้ก็จะทำให้เรานี้ เ, เลิกหาความสุขจากสิ่งภายนอกได้หมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะ ทำไงดีจะจะจะนั่งรอเดี๋ยวเผื่อมีคำถามเข้ามาหรือว่าจะเลิกกลับบ้านดียังพอยังมีเวลาอยู่บ้างนิดหน่อยก็ยังไม่อยากจะปล่อยให้กลับบ้าน ท, ทาันทีทันใดนั่งแต่จะเล่าประสบการณ์ทางไปที่อินเดียมาให้ญาติโยมฟังเลย อ่ะมีอะไรมาเป็นคติให้ญาติโยมฟังกันว่าไปดีไม่ดีไปเลยหรืออย่าไปเลยดีไหมโอเคลองส่งไมโครโฟนไว้ให้คุณต่ากันหน่อยคุณไปอินเดียมาโดยคนที่ยังไม่เคยไปอยากจะดูว่าไปแล้วดีไม่ดีอ่เล่ามาน้องกลับน้ำสกัดค่ะอาจารย์ก็ไปอินเดียที่ว่าไปแสวงบุญน่ะจากใจโยมอะโยมคิดว่า เราได้ไปทาทานมากกว่าสแสวงบุญน่าจะเป็นการทาทานในระหว่างทางที่เราไปอะคะ่ะก็คือเจอขอทานเจอทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าหาความสงบจริงๆแล้วมันไม่มีในใจมันไม่สามารถจะหาได้เพราะเราไปหมู่คณะใหญ่แต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าสถานที่แต่และสถานที่ที่เราได้ไปนั้นที่เป็นศีสังเวนั้นก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าที่เรารู้กันนะคะ แต่ก็แต่ก็เราได้ก็แค่เห็นนะคะแค่เห็นว่าทุกคนในทั่วโลกหรือว่าหลายๆสถานที่มาเคารพนับถือพระพุทธเจ้ามาแบบเหมือนกับว่ามานมัสการพระพุทธเจ้าถึงที่ถึงแหล่งถึงที่พระเจ้าท่านท่านประสูติตรัสรู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันมันลําบากอะคะ่ะ แต่เราก็ต้องสู้กับความลําบากเราก็ต้องสู้กับใจของเราว่าเออเราก็เรียนรู้ไปอีกอีกแบบหนึ่งค่ะคือว่าเราจะผ่านความลําบากได้หรือเปล่าก็คือห้องน้ําการเดินทางที่ระยะทางที่ค่อนข้างไกลในแต่ละที่ก็ก็มันก็ลําบากอะค่ะก็จะไม่ไปอีกะค่ะเพราะว่ารู้แล้วค่ะเพราะว่าอยู่พ่อจันเราก็ทีแล้วค่ะ <laughs> คือได้รู้แต่คือรักษาใจให้สงบมากกว่า ได้ได้ศรัทธาที่มั่นคงขึ้นหมเหมือนกันก็ก็ได้ศรัทธาที่มั่นคงขึ้นไหมก็คือเราก็จะเห็นจากที่คนเขานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยจากจากที่เราเห็นเรามากราบพระอาจารย์ใช่ไหมคะก็มีอยู่คนกลุ่มนึงแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปถึงอินเดียเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีหลายประเทศและทุกคนทุกเหล่าที่ที่ที่เข้ามาเข้ามากราบท่านนะคะ เข้ามากราบถึงที่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าอืมเราก็เขาทำกันแบบแบบยังไงอะเหมือนกับว่าเขาลบนับถือทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นนะคะพระอาจารย์ในในสิ่งที่เราได้เห็นนะคะว่ามีหลายกลุ่มมากที่เราไม่รู้ว่ามีใครบ้างเขา มีอยู่ประเทศหนึ่งอะค่ะที่เขาแบบนอนก่าบอ่ะคุณแบบเขากราบแบบพระอาจารย์คะก่าบที่เบดอะค่ะเขาแก่มากๆนะแบบจุงมือเขาก็ยังกราบแล้วก็ถูไปกับพื้นถูไปกับพื้นเป็นเป็นร้อยๆครั้งความศรัทธาเขานี่แรงกล้ามากเลยค่ะพระอาจารย์ที่ซึ่งเราเองทําไม่ได้้ขนาดจะนั่งทําสมาธิยังโอ้โหจิตใจยังแบบไม่มั่นคงเราต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะค่ะพระอาจารย์แค่นี้ค่ะ ก็เป้าหมายหลักก็คือให้เรามีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงไม่ใช่เป็นของที่คนแต่งกังขึ้นมาหลอกเราอันนี้ขอให้เราได้ประโยชน์แค่นี้ก็ถือว่าได้กําไรแล้วถ้าไปแล้วไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เราจะได้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปนะ ถ้ากลับมาแล้วมีความข ย, ยันปฏิบัติมากขึ้นก็ถือว่ากำไร <laughs> ยังไม่หายเหยเลย่อาา ย, ยังไม่หายโอ๊ยต้องหลายวันแล้วต้องสองอาทิตย์แล้วยังไม่หายเหน่อยมันป่วยอะอาจารย์ไปก็ป่วยโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไ <laughs> หมหมนแล้วเ ห, <laughs> หละ <laughs> มีไหม <laughs> อ่าเข้ามาอา่าวต่อ คำถามจากคุณโจกพอได้ชาญมีความสุขแล้วทำยังไงต่อครับก็ให้มันสุขมานนรักษาชาญให้นานๆให้เข้าบ่อยๆต่อไปอยากจะมีความสุขแทนที formula formula. ่จะไปกินเวียเตี๋ยวไปกินพิซซ่าก็เข้าชาญไปแทนเพราะความสุขจากชาญมันเหนือกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงกินได้แต่ให้มันกินแบบมีเวลามเวลากินเพื่อเลี้ยงร่างกายอย่าไปกินตามความอยากถ้า ถ้าไม่ถึงเวลากินอยากจะกินก็ไปเข้าสมาธิดีกว่าเข้าฌานดีกว่าคำถามจากคุณนัทพลขอโอกาสพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องลุกขึ้นมาปฏิบัติสักทีให้ทีครับเวลามีความรู้สึกมีการศึกษาความรู้พอมีแต่พูดง่ายๆคือขี้เกียจเราจะใช้ทำข้อใดหรือวิธีการใดครับนั่งเหี๋ยวนี้เลยเนี่ยเมื่อก่อนล้วก็เป็นแบบนี้เราก็ศึกษาอ่านั้นต้องเยอะต้องเย แล้วอยู่ดีๆมันก็ถามตัวองให้มึงเรียนมาต้องหลายเดือนนะมึงไม่ได้นั่งสักทีก็นั่งมนเดี๋ยวนี้เลยวะก็นั่งมันเลยพอเริ่มนั่งมันก็ไปได้เองถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่ไปสักทีอย่างที่เขามีสุภา ษ, ษิตจีนว่าระยะทางถึงแม้จะยาวไกลถึงหนึ่งพันกิโลมันก็ต้องเริ่มจากก้าวแรกนี่แหละถ้าเราไม่ก้าวแรกมันก็ไปไม่ได้ถ้าเราเริ่มก้าวแรกมันก็มีก้าวที่สองตามมาก้าวที่สามตามมาเดี๋ยวมันก็ได้ร้อยกิโลพันกิโลเอง อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยรีไปนั่งอยู่นี่เลยเนี่ยคนถามเนี่ยปิดเครื่องอะไรได้แล้วก็นั่งลองดูสักหนาทีก็ยังดีพุโทโธหนาที1ินาทีก็ยังดีแล้วแล้วก็พยายามทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ก็มีท่า น, นเองอยู่ที่การที่เราจะตั้งใจทำหรือไม่ทำตั้งใจทำถ้าเราไม่ตั้งใจทำมันก็ไม่ได้ทำาท้ทียังต้องตัดสินใจเอาเดี๋ยวนี้เลยจะไปรอวันไหนนะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ ตอนนี้มีโอกาสทําได้ทําเลยคําถามจากคุณเลอค่ะเป็นคนที่โกรธง่ายโดยเฉพาะความรู้สึกว่าถูกดูถูกดูหมิน่นมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างครับก็อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราโกรธเช่นพอเราโกรธกับ เ, เรื่องนั้ น, คน น, นคนนั้นคนนี้เขาพูดไม่ดีอะไรแล้วก็พยายามพุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดของเราถ้าเราหยุดความคิดได้ความโกรธที่เกิดจากความคิดนั้นก็จะหายไป คำถามจากคุณนุจรินยมนั่งสมาธิตอนเช้าทุกวัน 10-15 นาทีแล้วแผ่เมตตาทุกวันใช้ได้ไหมคะได้นิดเดียวใช้ได้แต่ได้นิดเดียวมันต้องแผ่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนนได้เยอะๆเวลาทำงานหางเงินนี่ทำได้ทั้งวันทั้งคืนเวลามาพุทโทแผ่เมตตานี่เอาแค่5นาที10นาทีก็พอมันก็ได้แค่5นาที10นาทีนันเอง คำถามจากคุณวาสนาในการนั่งสมาธิบางครั้งเหมือนจะรวมรวมแต่ไม่รวมแล้วเราก็ไม่ได้นั่งต่อแบบนี้จะทำให้การเข้าสมาธิยากในครั้งต่อไปไหมครับมันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำแล้วหยุดไม่ทำแล้วกลับมาทำใหม่เนี่ยมันก็จะยากขึ้นถ้าเราทำอย่างต่อเ น, นื่องครั้งนี้เข้าไม่ได้เดี่ยเราก็ไปเดินเดินจงกรมไปสร้างสติให้มากขึ้น แล้วก็กลับมานั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็ได้ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคําถามศักยุนชุติการผู้ที่เริ่มที่จะปฏิบัติธรรมสมควรจะวางแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะก็กําหนดตารางไว้ก็ได้เหมือนเราไปโรงเรียนโรงเรียนเขาก็มีเวลานี่เวลาแปดโมงถึงเก้าโมงเรียนคณิตศาสตร์สิบโมงถึงสิบเอดโมงเรียนประวัติศาสตร์ เราก็ตั้งเวลาเสียเวลานี้เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงเวลานี้นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเวลานี้ฟังเทศฟังธรรมหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปทาไปถ้าไม่มีตารางไม่มีเวลาปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็ไม่ทําดีกว่ามันก็จะถูกเรื่องอื่นดึงไปไปดูนู่นนี่ไปฟังนู่นฟังนี่กันมันก็เลยไม่ได้มาเข้าห้องเรียนกันังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการไปโรงเรียน เมื่อไปโรงเรียนมันก็ต้องมีตารางมีเวลากําหนดไว้มันถึงจะทํากันได้ถ้าไม่มีเวลาไม่มีตารางมันก็ไม่ทํากันมันก็จะทะเลทลายเลยเดี๋ยวใจอยากจะดูอะไรก็ดูอยากจะฟังอะไรก็ฟังพอดูไปฟังไปมันก็เพลินเรื่งานที่เราจะต้องทํากัน คำถาม จ, าจัชชนญาณิตานั่งสมาธิวันละ10ถึงสิบหนาทีทุกวันดีกว่า น, นั่งวันละหนึ่งชั่วโมงไหมคะไม่หรอกนชั่วโมงมันต้องมากกว่าดีกว่า10นาทีสิบ <c oughs> นาทีมันจะดีกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ยังไงไ <c oughs> ม่กินข้าวสองค ำ, ก ว, คำ ก, กว่ากินข้าวสิบคําันไหนมันจะอิ่มเหมืกันคำถาม แต่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวานเพื่อนบ้านขับรถมาชนท้ายในรถเขาไม่มีประกันเขาขอร้องไม่ให้แจ้งตำรวจแต่เขาก็ขอโทษเพราะเขาเมาลูกก็เลยไม่เอาเรื่องเขาคำถามคือลูกได้แผ่เมตตาให้เขาและให้อภัยเขาอย่างนี้เป็นการให้อภัยได้หรือเปล่าเจ้าคะได้แต่ก็อาจจะมีส่วนที่ไม่ดีอยู่คืออาจจะไปส่งเสริมให้เข า, เาทําซ้ําเติมได้ถ้าเขาไม่ได้ถูกลงโทษ ทือทำผิดด้วยการมึนเมาเนี่ยคะทั้งคำครั้งนี้แล้วไม่ถูกลงโทษคราวหน้าก็อาจจะคิดว่าทำต่อทำได้อีกถ้าเกิดมันไปทำแล้วไปทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า น, นั้นทำให้คนตายที่ไหนนั่ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เขาเมาแล้วขับได้ยังก็ต้องมีอาจจะให้อาภัยก็ได้แต่ต้องบอกว่าพี่ต้องอย่าอย่าดื่มชุลาได้ไหมอะไรทำนองนีน้ให้เขาสัญญาไว้อย่างนั้นก็ยังดีว่า นะอย่าดื่มสุรานะต่อไปเวลาขับรถอะไรก็ ไ, ได้เท่งนั้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เอาความแต่ต้องบอกตำรวจให้รู้ให้ตำรวจเขามาลงโทษหรืออะไรไปแต่มันก็จะเป็นเวเป็นกรรมกันเพราะว่าเขาก็จะกดแค้นกดเคืองเราได้มันก็มันก็บางที ก, ม ก, มก็มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเราเองว่าจะเอาประโยชน์ทางไหน ถ้าเราเอาประโยชน์ส่วนตัวคือไม่มีเวรมีกรรมของเขาก็ไหวก็ทําไปผ่านไปแต่ถ้าเราคิดว่าถึงโทษที่อาจจะตามมาต่อไปจากการที่เขาจะอาจจะกลับไปทําซ้ําๆอีกไม่เข็ดร่าแต่บางทีลงโทษแล้วมันก็ไม่เข็ดราาคนเราบางทีทําลงโทษไปแล้วมันก็ยังไม่เข็ดอยู่ดีเพราะบางทีมันติดนะค น, นติดโชรมันถึงเวลามันก็ต้องดื่มแต่บางทีถ้าถูกลงโทษมันก็อาจจะทําให้มันคิดคิดใหม่ ถ้าเมาแล้วอยากขับดีกว่าให้ใครคนที่เขามีสติขับแทนเราก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องตัดสินใจเอาว่าจะเอาอยัางไงดีใจเราก็ไม่เอาโทษเขาละแต่ก็อยากจะให้เขามีจิตสํานึกการจะมีจิตสํานึกบางทีก็ต้องต้องเจ็บเจ็บถึงจำเลยใช่ไหมแต่ละไม่เจ็บมันไม่ค่อยจํำเลยก <c oughs> ารจะมีบทลงโทษ คำถามจากคุณสมัญญาค่ะหนูถวายพระประจําวันเกิดครบรอบหนึ่งรวันของลูกสาวที่เสียชีวิตไปด้วยอุัติเหตุถวายพระประจําวันเกิดนําทางให้ลูกสาวไปสู่ภพภูมิที่ดีหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะ ก, การอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วมันก็มันก็ช่วยเพิ่มบุญที่เขาขาดนี่ให้เขามีบุญเพิ่มขึ้นอีกหน่อยที่อยู่ที่ว่าเขามารอรับส่วนบุญนี้หรือเปล่า บางทีเขาไปแล้วก็ได้เขาไปถึงสุคติแล้วก็ได้เขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญนี้ก็ได้แต่หน้าที่ของเราเมื่อเรามีโอกาสทำได้ก็ทำไปเพื่อเขามารอรับส่วนบุญเขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนนี้ไป คำถามจากคุณโ X ถ้าเราเห็นคนอื่นทุกข์อยากเห็นเขาหายเจ็บแต่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เพราะเกินความสามารถของเราแล้วเราจะเจ็บปวดทุกครั้งจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรคะก็ต้องทําใจให้นิ่งให้นิ่งเฉยให้เป็นอุเบกขาโดยการคิดว่ามันเป็นเรื่องบุญกรรมของเขาไปเขาทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือจะชั่วเขาว่าต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเราทําได้เท่านี้ก็ทําไป คำถามจากคุณสุกัญญาที่หลวงพ่อบอกว่าจะต้องถอนสมองจึงจะพ้นทุกข์แสดงว่าการที่เราปฏิบัติที่บ้านไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมเจ้าคะไม่มเลยหมายความว่าอย่างนั้นคือบางคนอยู่บ้านแล้วเขาไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยเขาไม่ใช้เงินทองเลยเขาอยู่แบบเป็นเหมือนกับนักบวชเขาก็อาจจะมีโอกาสที่อยุดพ้นได้แต่ยากทั้นยากกว่าการที่ทาจริงจ สลัเลยไม่มีทรัพย์สมบัติหลงเหลืออยู่เลยคลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวจริงๆใจก็จะได้ไม่ต้องไปภาวะโคโนกับเรื่องเงินทอง <c oughs> คําถามจากคุณเลยความฉลาดทางโลกถือเป็นสังขารที่ไม่ควรยึดติดใช่ไหมครับเป็นเป็นความหลงความฉลาดทางโลกเป็นความหลง <c oughs> นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนําไปสู่ความอยากต่างๆ <c oughs> ำถามจากคุณครูบอยทำยังไงถึงจะไม่อิจฉาคนอื่นและทำยังไงเวลามีคนเขาอิจฉาริษยาครับก็ให้คิดว่าแข่งรถแข่งเรือแข่งกันได้แต่แข่งวาสนาบารมีนี้แข่งกันไม่ได้ต้องทำกันเองคนบางคนเขามีวาสนาบารมีมาแต่ดั้งเดิมเขาก็เลยได้ดิบได้ดี <S <S มากกว่าเรา <S <S เราสร้างบุญบารมีมาน้อยกว่าเขาเราก็เลยได้น้อยกว่าเขาไป ให้เราคิดอย่างนี้เป็นเรื่องของบุญบารมรีของแต่ละคนที่ได้สะสมมาที่มันไม่เท่ากันเพราะถึงมีคำพูดว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้จะ แ, แข่งบุญบารมรีนี่แข่งไม่ได้มันต้องสร้างกันขึ้นมา <c oughs> คำถามจากคุณอัญชนาะขอทราบเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ต่อคะ่ะอยู่เพื่อรับมรดกของพระพุทธเจ้าสิ อ, อ, อยู่เพื่อรับอริยทรัพย์รับวิมุตติท ร, ร, รัพย์ ด้วยการไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของภาษาวกแล้วก็ปฏิบัติต่างคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเพลิดเพลินกับการศึกษากการปฏิบัติเราก็จะไม่คิดที่จะไม่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะเรามีเป้าหมายใหม่แนละ้วเป้าหมายก็คือไปรับรางวัลจากพระพุทธเจ้ารับโนบกของพระพุทธเจ้าหมดแล้วยัง คำถามหนึ่งเจ้าค่ะสุดท้ายเนี่ยมีคู่ชีวิตที่ดีพากันไปทําบุญเพราะทําบุญด้วยอะไรมากันคะเพราะเคยทํามาด้วยกันเคยทําอะไรร่วมกันเคยไปทําบุญด้วยกันเคยรักษาศีลด้วยกันเคยไปปฏิบัติธรรมร่วมกันเคอถ้ามีศีลเสมอกันเนี่ยมันก็มันก็จะไปเจอกันอยู่เรื่อยเหมือนกับขับรถน่ยถ้าขับรถสองคันถ้าขับไปติดกันไม่ไม่ไม่ห่างกัน ไปจอดไฟแดงที่เดียวกันไปผ่านไฟเขียวที่เดียวกันติดกันไปเหมือนเป็นรถคันเดียวกันมันก็ต้องไปเจอกันอย่างนี้เห็นต้องทำกิจกรรมควบคู่ ก, กันไปพร้อมกันไปโอเคนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแกเวลาก็อาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัต